ข่างพุทธการปรากฏว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื้อเป็นหลังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ พอตกมาสมายัยทัจวันนี้เป็นวัด้านวัตถุโกงทางข้ามไปเลยถ้าจะเห็นได้นะที่ต่างๆแล้วก็อย่างยิ่งตามมัดธวาอารามมีแต่การก่อการสร้างกระดับเป็นความสวยงามกันนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนานจริงๆขึ้นมาซะแล้วทำกุศลการทําไม่สนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการ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 เวลาพต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชอะไรเ ล, เล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุบสัมบันจะเป็นเนินก็ตามเป็นคารวาสน้าดูผู้ใดก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้บกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่ ไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเลือกแปลว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความภากเปลี่ยนของท่านแต่เป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเปลี่ยนไม่มี คือสถาน ท, ที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็ก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อย <c oughs> ู่ وع, terrain, <c oughs> ที่อาศัยที่หลักที่นอนสะดวกสบายไปหมีตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลักที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเ่องส่งเสริมกิเลสมากขึ้นเรื่อยสฐานที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทําเลที่ับ วาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง น, นะเวลาท่านสนธนาธรรมะกันจะสนธนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิหลสสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรเดินไปข่มสมาธิภาว น, นาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย โกงินข้ามคกงข้ามมาทุกอย่างที่วันนี้เรื่องธรรมะไม่ก็มีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่งทุ่มมุ่งกัที่ตรงไหนมีไปเรื่องเดียวกันห <c oughs> านว่าจะพิาจารณาจะรงธรรมะต้งเลอกมันก็ควรเลิกปรองตลอดเวลา <c oughs> มีเรื่องของที่เลิดมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไงศาสนา ก, ก็เลยกลายเป็นศักแต่ว่าศาสนาทําอะไรก็สัพท์แต่ว่าเป็นพิธีได้พิธีไปหมด นี่พิเคีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสารแต่งสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปาาสุดท้ายกรราตนิศศาสนาบ้างหมดเกศหมดสมัยพระพุทธมิตรทานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตามิศ้นซบ้างก็ควจะกระเทือนพิเลตต้องกตาําหนิศศาสนาซึ่งเป็นการ ส, งส่งเสริมวิทยดได้ดี นยิยนเข้มาถึงเราผู้ปฏิบัติวละของจิตคิดไปทางที่สั่งสมวิเลศนั้นมีมากน้อยเพียงไรแต่วาะของจิตคิดเพื่ออัดเพื่อทำอ น, นี่นั่นควรจะนำมาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิจีเปียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกำลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ พูดกันดา่าดึงตูกแข็งตู้หนบอกปกแดงตรงนั้นปกของมนิษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องงงๆสําหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้เสือว่าแดงหรือไม่แดงเมือเ่อพิเรนหาอาส า, ามันตอบกลมจิตใจขึ้น ม, นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเหมือนกันคนนั่นแหละเยียดเยียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเยียบเยียนทางลายนอกจากคนเบียบเยียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ ที่ฉลาดมันทำได้ทุกอย่างทางศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันยาะกันตัวเหตุโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในปิดใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิหรือ ก, การกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำ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 ใจเปรียบเหมือนกับผ้าขาวไม่ยิ่ต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มพอสาหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจําความอยากรู้อยากเห็นสิงต่างนั่นกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนเ อ, อนาหนังสือมาย้อมมาย้อมผ้าขาว สีเป็นอย่างไรผ้าขาก็ต้องเป็นไปการสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสน่ะตามหลักธรรมตั้งกล่าวไว้แต่อาศัยที่เล็กที่จอนมาความที่กิเลสจอนมาก็คือจิตที่เองนี่เองจอนออกไปหากิเลสอืออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็ น, นําอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นหลักที่ว่ากิเลส จ, จอนมาขึ้นมากับอารมณ์มันนั่นเนื่องจากจิตตึกว่าประยุทตเป็นเนี่ยโอสิงนั่นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วพอเข้ามาย้อมภายในจิตใจใกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวว่าในธรรมว่าดูก่อนทุกอย่างทั้งหลายจิตเดิมนั้นท่องใสทันว่แต่อาศัยกิเลสที่จอนเข้ามาค้าข้าวกับใจใจยิง เป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้น่ะท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธินะ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสว่านั่นพระพัฒกร ม, มีดงังจิตตังที่เขาเอานั่นพระพัฒการเขาบอกว่าพระพัฒสอนคือผ่องใสไม่ได้หมายที่ไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้ น่ะทวาจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแทบบริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกนะถ้าผองใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับมเมล็ดต่างๆที่มันเก็บโออะไรไว้ในไม่็ดของมันเวลาไปเพาะมันก็เกิดขึ้นมานี่เป็นความสงบของจิต ท, ที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือทขึ้นท้าย ตาหูจมูกเลื่นกายไม่มีนี่เป็นจิตเลนล้วนนั้นมันก็เป็นจิตที่โปร่งใสคือจิตไม่ได้ใช้กิริยามีพอเข้ามาค้าเข้าวกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกําลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กเล็กๆจริงๆก็บางท่นมาใหญ่เต็มแม่เต็มหัวย พอเติบโ ต, ตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกเลี้ยงกายก็ใช้ได้เพียงแท่นั้นแ่ะทางตาดูหูก็ฟังเลยวิเวก็เข้ามาเรื่อยนะทีนี้ก็เลยไม่ทราบ ว, ว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรุน่นแรกทั้งแต่เป็นรุ่นของวิเลวกันหาอาสวะทั้งหมดชุดตอมาหนแง่ในมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาะคตร้นแรกตั้งแต่การกอร่อป่วยวิเลก ส, สังสมาภายในจิตใจของตนเดี๋เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลําดับเพนะราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันเป็นลำบากเพราะการสั่งสมเราสังสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักยังสาภาวะมันก็สังสมมาเรื่อยๆกับไหนกันใดก็สังสมมาการที่จะแก้ให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตามแต่มากใจมกใหมายความสัมพันธ์ของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรใจเห็นแต่ผลที่จะ มีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทําของเราแต่เมื่อทําอยู่มาหยุดมาถอยมีการชนะท่าสางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอุลจิตก็ค่อยจเริ่มรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเราเนี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตอยู่ด้วยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิต พร้มทังจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ทำบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับเปลียงหนีคือมันดำเสมือนหลังหนีออะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื่อนมันเปรอะอะไรต่ออะไรเพราะมันดําทั้งหมดเลยไม่ทราบว่า มันตื้นที่ตรงไหนมันสกปรกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการช้าล่างโดยลําดับลําดับขึ้นมามันก็พอทราบได้เห็นเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอารมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลําดับๆอันก็ทราบมาได้โดยลํำดับพราะผลค่อปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้นะฐานจิตแต่ก่อนมีความหยากแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตปันนี้มีความละเอียดต่างกาันะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาเขารู้สึกขุขักขุกขับไปนะไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแต่วความขี้เกียจนะขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลําดับลําดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นให้เรื่อย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 ขาดกาวจิตใจของต้นให้มีความปรองใสที่มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับลําดับเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรคเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืนอยู่ในปิดนั่นแหละเวลานี้เรามาบํารุงศาสนาคือบํารุงจิตใจของเราให้มีความเจริญท่านกับเหตการต่างๆที่เคยเป็นข้าติดต่อจิตใจสติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆ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 กิเลสอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงไปเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ตล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดําเนินงานได้สะดวกหากว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายแต่หมด ใช่เหตุท้ากดไม่ได้นอกจากจนกรอบเป็นมุมจริงๆจะนําปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้เวลาจําเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบื่อเหตุอันใดแล้วถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอบนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทนันกับเหตุการณ์นั้นนั้นนิยเกิดความะเจริญฉลาดขึ้นมาได้จิต ก, ก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนา จิตจิ้มไม่ค่อรมีความตั้งบภายในจิตใจเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ต่อไปต่ไ ป, ไปก็คทะเลถลายทะเลถล Personal, าย ไ, ไปเลยกลายเป็นปัญญารมไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยนั้นท่านยังสอนให้จิตมีความตั้งอกสมาธิอบรม ป, ปัญญาตามหนักธรรมทั้งก่าไว้ว่าสมาธิปฏิภาวิกาปัญญามะัพลา หาในสร้างมุติภาในสร้างสร้างสมปัญญาที่สมะที่อบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอายุสูงมากยปัญญาไปพายต่างจิตต่างสมะเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมบุดพ้นจากที่เดือดทั้งกุงโดยชอบนานเนี่ยที่ปัญญาจะ ก, ก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจ ถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็คือดธาตุขันธ์ก่อ น, น, อนด้รับทานอาหารมาพอทั้งพวนแล้วพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายจะทําหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหงหอยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไมห่งหงอยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตาม มันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับบรรดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทําปัญญาก็ทําหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลทลายแต่ไหนปัญญาจึเป็นสิ่งสำคัญในเมื่อมีอมอสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคลวไปโดยลำดัแบมบันเป็นขั้นหนึ่งในการที่จะก้าวออกทําปัญญา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 หนึ่งปุถุเท่านี้เราก็ทราบแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือท่าคือขันติดมันติดที่นี่จึงข้นคลาสอีกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลีค่คลายออกดูเห็นประจกักษ์ครั้งนี้ข้างนั้นหลายารลครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นไปเองซึ่งเดียวกับเราท่องหนังสือท่องพ้นหนึ่งสองหนึ่งมันจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนก็จําได้เองนี่หมายถึงความจําท่องหลายหลายหนมันยังจําได้ปัญญาความคิดนิพิจนาพิจนาแล้วพิจนาเล่า ่เข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็นแนบสนิทถึงใจซึ่งถึงใจต่อยได้เลยนา น, น, นายังว่าทายโตก็หุยก็โ ต, โโโโตทําให้มากจเจริญให้มากไม่ว่าถึ่งใดเจริญจะมาทั่งถึงถึงสีถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองทำไม่มเพียงแต่าพิจนารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้ว ข้างนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ข้างสูงมาตามความเข้าใจนั่นเป็นบทตปนบาตรฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลนําดักหนักจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองอันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาถ้าพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เอง เส้นเดียวก็วรับทานอี่นได้แต่บางข้าไม่รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็ไม่อิ่มแล้วจะระบทานงไงอีกนานปัญญาเป็นสําคัญเรื่อถอดถอนจิตเละเป็นรับเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะลอ่อมจิตเละเข้ามาสูจุดหรือตะลอ่อมจิต เ, เข้ามาให้ คือความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันต่างๆหรือข้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันอะไรก็แล้วแต่จะพูดเทินไปเทินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลําดับมิณานั่นเป็นปัญญาขั้นเคย ผลรายได้ปลาปลาปดทําไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่า ง, งานนอกงานในเมื่มอทําลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดับ ก, ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทําทอะไรๆไม่ได้กับมีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำํำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องในบังคับบัญชาทุกยากลํำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อละขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทํามื่อเห็นผล ขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแต่ใ จ, ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสูตรเมืองเป็นลําดับพระจักอยู่กับใจโดยแม่ละกัน แ, แล้ว้เรื่องความพยันตมันเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุวินหวัยทันจึงหวารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถังว่าทั้งกวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทําให้ดูดด่ม ซึมซาบหรือชาบซึ้งมีความขายันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรสขึ้นไปโดยลํำดับลําดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลํำดับลำดับนีบ่ความขายันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่อางนั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคุกคลานไป ตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งอะไรบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้จิตต์ตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้แล้คนไม่ยอมถอยมีทรรมอย่างปัญญาเตมา็มมรรหรือมหาสติมหาปัญญา ออกมาจากปัญญาที่ลบลูกคู่ขานั่นแหละแต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคร่งแค่แก่กล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรืพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี้ละเอียดละเอียดก็เพราะปัญญานี่นแหละถ้าหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่ เวลวรู้มันรู้ซึงอ๋อมีอยู่กับตัวทําไมแต่ก่อนไม่รู้กันทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่คือเดี่าวนี้พุ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆที่ทสิ่งนี้มีอยู่มาตั้ง ม, มีอยู่แต่วันเกิดมนี่มนันโทษของตัวเองขนะที่เจอเข้าไปเจอเข้าไปคืเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้น รู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันตั้งห้าทศพุทพธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันตั้งห้าเมืท่านม า, นาพิจารณาก็รู้ขันตั้งห้าปล่อยวางขันตั้งห้าสาวกอ ร, ราขันท่านก็เป็นนักหลงด้วยกันเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลหลงสานไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแอืะผมมีกิเลสต้องหลงด้วยกันตรงนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครใครจะเก่งวองใค ร, ใครมันเท่าๆกัน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 อันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันปีนกเดียว อ, อันนี้จัทุกข์ของหน้าตาคือความเป็นนั่นไปเสียเหมือนที่อมันหนักมันหนาพอปัญญาสอสแสดแทรกเข้าไปโดยลําดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังมาแล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีภายนจิตอีทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไรติดแล้วเหมืนก็มีติดอยู่ายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเอง ควาโมโง่บางความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบางมิจชาพิเรศบางธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปฝุกค้นเข้าไปขุดค้นเ ข, ข้า ไ, ไปไเมฆหมอกทั้งหลายที่มันติดเมธีมดิดอยู่ภางในจิตใจนี้ค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวไปก็แทงทะลุไปหมดนั่นแหละท่านเนี่ยแบบโลกวิทู ร, รู้ตรงที่มันมืดมๆนี่แหละอืม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 ก็ไม่มีหมดข้าศึกในคันนี้เอา้าเข้าไปอยู่ในที่จิตที่เหลือตัญหาสภาวะ ม, มีที่หลบซ่อนแต่ไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมีญาณก็ถกถูกตีต้้นด้วยสติปัญญาแไปวิ่งเข้าไปสู่จิตไปตีตั้นเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกกระตรันตางหมดจิตจะสูนย์ก็ให้สูญไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกการถูกพิจารณากัวจิตจะจิตหายกัวจิตจะล่มจมเอา้าไม่ต้องกลัว ความกัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตกต้องเพนองไปทิ่ิดฟันปาดฟนลงไปทิกผิดจนแตกกระจายเมื่อลาแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายไปต่างหาจิต ไ, ไ, ไม่ได้สลายกลายเป็นความมุจลขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธพุทโธ ท, ทีแรกเราก็นำพูตระน า, นามของพระเจ้าเข้ามาโดยรำว่ า, าพุโทโธพุโทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้ เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุโทโธพุโทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุโทโธของกับความลู่ของเราเค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุโทโธก็ปล่อย ไ, ได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุโทโธขั้นหนึง่งพุโทโธขณิกล้าเขาจะกระทั่งถึงพุโทโธขั้นบริสุทดหลุดพ้นจากวิชาตัญหาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุโทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขนาดนั้น อาการตามอาการถนัพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์นั่นพูดตามหลักสมมติที่โลกมีสมมติให้ขแยกประเภทออกไปพระพุ ท, พทธเจ้าคือศาสตดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรอย่างเนี้ยพระสกุลนาการนี่รากาศสอนโลกอันนี้แหะที่ว่าพุท ธ, ธะนี่เรือนร่างของพุท ธ, ธะคือสกลนากายธรรมะเขได้แจงธรโมปดิโปที่มีความสว่างอาะจ่างแจง้อย่างรไรท่าทยที่บริสุทธิ์นั <S <S ้นเน่ สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อาตามพระโพธิสกตว์ทันมี่ทันแยกเป็นประเภทประเภทออกพอถึงความจริงล้วนๆแล้วคําว่าพุทธธรรมสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแผงชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนั้นนั้นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆพานาจิตที่สว่างไสว สมดสมมติ <c oughs> ว่าอาดีตอนาคตการสถ า, านที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแรลคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดถ่วงบรรดาสมมติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษา <c oughs> การปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากขอตามง่ายขอตามทานไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงขุ้หมายปลายทาง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 ตามหลัธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างกินพอถึงวาละสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวเหลยต่อยพิ้งเสียหมดกังมลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือท่านนิพพานบริสุทธิ์แท้ๆก็คือนิพพานล้วนๆอภิพาทธิเสียสันนิพพานหมายถึงจิตที่พ้น่สมมุติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้ว การกล่าวมาทั้งนี้ดูที่ไหนทำที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทําความรู้นี้ให้เป็นภูมิแห่งความรู้ลง้วนได้จึงต้องอาศัยการซักก็เพื่อการพึสปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจน่ระทั่งถึงจุดตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเป็นภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมด การแสดงธรรมเรา็นว่าสุขวิปปะติอย่างไร